เทศอบรมพระวันที่สิบสามมิถุนายนสองพันห้าร้อยยี่สิบสองเทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้ดีมากตอนพูดเ ท, ทาศศาสนาเป็นน้ำดับไฟคนดีพระธรรมเป็นเครื่องประพฤติเราบวชแต่กิเลสไม่ได้บวชกับเราจึงต้องต่อสู้กันด้วยความภาคเพียร การบวชในครั้งโน้นกับครั้งนี้ต่างกันมากครั้งโน้นบวชเพื่อแก้กิเลสสมัยนี้มักบวชเพื่อสั่งสมกิเลสแล้วก็พูดถึงความหรูหราของพระความหวังในธรรมล้นหัวใจนั้นมีน้อยมากส่วนความหวังในปัจจัยโลกามิทล้นหัวใจนั้นมักแสงหน้าธรรมเสมอกันนี้พูดต่อมาหน้าบี พูดเรื่องอามิตรล้นกุติส่วนธรรมในหัวใจนั้นแห้งภากน่าสลดสังเวชไม่น้อยพูดทเรื่องการสงเคราะห์โลกดีกว่าการสั่งสมกินดีนอนดีนอนเหมือนหมูพูดเรื่องพิจารณาเพื่อถอทอนพอใจนนีี้เเปต็ตัวยาง เอ่ยดวงมากน้อยตามแต่อานาจของความดีความชั่วที่มีในจิตแต่และดวงละดวงนี่เป็นของสำคัญมากเพราะฉะนั้นคำสอนจึงไม่ปราศจากโลกที่เต็มไปด้วยความรุ่นร้อนนี้ให้เป็นเหมือนกับน้ำดับไฟหากมันมีศาสนาเลยแล้วมันก็เหมือนกับไฟไม่บานไม่เรือนไม่ประเทศเทยศแดนไม่มี น้ำสำนับดับไฟมันเองก็มีแต่ความพิ่าย ป, ปุ่นปีโดยถ่ายเดียวหาเห็นได้ที่จะมีคิดดีไม่มีถ้ามีน้ำดับบ้างจุดไหนที่น้ำดับไปถึงน้ำสามารถดับไฟได้เพราะน้ำมีจํานวนมากที่นั่นก็ปลอดภัยไป อยายามเหลือที่เปมนสาระพอที่จะใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้แต่ฐานที่ใดไม่มีน้ําดับไฟเลยต่อให้มันไหมเต็มที่เต็มฐานเต็มกําลังของมันจนกระทั่งหมดเชื่อแล้วระดับไปเองนั้นฐานที่เส่อ น, นั้นถ้ามันมีสิ่นไปเหล่ะจิตใจของโลกก็เหมือนกันต า, างศาสนธรรม เป็นเหมือนกับน้ำดับไฟคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะไฟโลภะอะนี้ให้ดับหรืออย่างน้อยก็พอเบาบาเหมือนกับโรคที่มียาแก้ก็พอทำเราผู้เป็นก็มีผู้ตายก็มีวิสุทธิสัย องหยุของยาของหมอก็ตายไปที่ยูนในวิสัยของหมอของยาก็ผ่านพ้นความตายไปได้โรคภัยก็หายมีจิตใจดวงใดที่อยู่ในวิสัยของธรรมที่จะซึมซาบเอ้าถึงจิตใจดวงนั้นก็พร้อมมีน้ําดับไฟ หจิตใจหดลายทารุณเชื่จริงๆมืดหนาสาหดทั้งกลางวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความมืดตื่นเต็มหัวใจไม่คิดถึงบุญถึงบาปไม่คิดถึงนรกสวรรค์ไม่คิดถึงความผิดความถูกประการใดนอกเหนือไปจากความต้องการทั้งตนที่จะทำให้เป็นเชน น, นั้นที่จะต้อง ที่ต้องการอย่างนั้นซึ่งเป็นคำานึงถึงสิ่งที่กล่าวมันเลยนั่นแหละเป็นกิจที่ร้อนมากที่สุดจะทำให้ได้อย่างใจสมใจเจ้าของขนาดใดก็เถิดเพราะ <c oughs> ใจนั้นเต็มไปด้วยฝืนไปไฟด้วยเชื้อไฟมันอยู่จนหาที่น้ำแทรกเข้าไปไม่ได้แล้ว ใจดวนั้นจะต้องร้อนมากความโลภต้องเกิดขึ้นมากทำตามความโลภมากทำตามราคะตัณหามากไม่มีความลดจอนก่อนพันไม่มีการแก้ไขหรือต้านทานกันบ้างเลยทำตามความรุ่งความหลงของตนไม่คิดสำน็กในจิตใจลเลยว่านี่ถูกหรือผิดร้อยไปตามยะถากรรม คือตามอำนาจอย่างกิเลส ต, ตัญหาอสวะมันถูกมันลา่าไปจิตตรงนั้นเป็นจิตที่ร้อนมากที่สุดแม้จะอยู่ในแดนมนุษย์ก็าตามอยู่ในสถานที่ใดก็าตามจะอยู่ในหอรประสาทราชมนเทียที่สมมุติหรือเสดสันต์รอกันว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสง่าผ่าเผยเป็นสิสถานที่อยู่ของผู้ทรงเกียรติก็ตามก็มีแต่ชื่อว่าเกียรติเกียรติเท่านั้นแต่ไฟกับ เท้าลนจิตใจดรงนั้นอยู่ตลอดเวลาหาที่ตรงที่วางไม่ได้เพราะมันมีน้ำดับไฟคือธรรมะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นธรรมชาติที่จำเป็นมากต่อรรดรจัดเช่นเดียวกับน้ำ ม, มีความจำเป็นต่อการดับไฟหากว่าาาธนาได้ปราทจากโลกไปเมื่อไรโลก การใดก็าตามโลกใดก็าตามไม่มีศาสนาเป็นเครื่องเยวยารักษาหรือ เ, เครื่องคุ้มครองป้องกันเพราะการปฏิบัติของตนบ้างแล้วไม่มีโรคใดที่จะร้อนยิ่งกว่าโรคไม่มีศาสนามีแต่หัวใจที่เต็มไปด้วยฝืนด้วยไฟคือกิเลสประเภทต่างๆมุมล้อมอยู่จะหาความสุขไม่ได้นี่ละนักปราชญ์ทั้งหลาย มีพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นต้นจึงทรงสอนธรรมะยังเข้าที่จิตของสว์โลกเป็นอันดับหนึ่งไม่มีอันใดเป็นอันดับหนึ่งนอกจากทมเพื่อจิตใจโดยแทยเดียวเท่านั้นกายวาจาเป็นเครื่องมือกายวาจาเป็นหุ่นวิจิตเป็นนายกายเป็นบาวคอยรับใช้เป็นเครื่องมือของใจเท่านั้น ใจกินเนของจำเป็นดังที่ทานกล่าวไว้ในธรรมบทว่ามนปุพพังกรรมาธรรมามนเศรษฐามนโษยมายาเรา้งแยกออกไปสองอย่างหนึ่ถ้าเจอประสันเดนนะทาสิวากโรุติวะนี่นแล้วอันนึ้ก็แยกและวน่น ตะเก็นนป้นปุถุเถนะนั่าติวาสารูติวาตุตุนตุนังลุกขงังอะนลุนตอนลงกิรยาใหญ่แต่แปลความก็ว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทำทั้งหลาย แต่ใจมีทําแล้วจะพูดก็าตามจะทําก็าตามย่อมมีแต่มีแต่ความเป็นสิรมงคลเป็นความดีทั้งนั้นแต่ถ้าใจได้เสียเสีอย่างเดียวจะพูดจะทําอะไรก็มีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนเหมือนกับรอยเพียงติดตามรอยโขเช่นั้นคือรอยโขผู้เคียมเอก เรื่องทุกข์คสิ่ที่เป็นผลด้นติดตามผูทท้ทากุ้วอยู่เสมอสุขที่เป็นผลก็ย่อมติดตามผู้ทําดีนิสัยคนที่มีความดีมีธรรมภายในใจจึงเหมือนกับผู้มียารักษาโรคติดตัวไปด้วยไปที่ไหนหนักก็เป็นเ่า ธรรมะจริไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่จเห็นว่าไม่สําคัญโดยเห็นว่าศาสนาอยู่ตามาัมพีใบลานบาั่งศาสนาอยู่ตามวัตตมวาบาั่งศาสนาอยู่ตามพระตัมหนึ่งหรือศาสนาอยู่กับพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกราหันท่านบาั่งทําอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ทำพระสงฆ์ไปบ้างเหล่านี้เป็นความเข้าใจผิดน้ํานั้นเป็นของกลาง ใครนำไปใช้ประโยชน์ในทางใดก็ได้ยันนำมาดักไฟก็ได้ทําเป็นจังหวัดกลางสาหรับโลกผู้ใดมีความต้องการความร่มเยินความถูกต้องดีงามในความเป็นอยู่ตละความประพฤติหน้าทีกันานา <c oughs> อาศัยทำเป็นแนวทางโดยอาศัยทำเป็นเข็ม์ที่ต่างโดยผู้นั้นย่อมไม่ค่อยจะผิดพลาดความฉลาด จะนอกเนื้อไปจากธรรมก็ไม่มีปัญญาออกมาจากไหนถ้าไม่ออกมาจากมาักแปะสติความระลึก <c oughs> รู้สึกตัวอยู่เสมอในอาการเคลื่อนไหวของใจของกายวาจานี่ก็คือมะสัมมาสติว่าอย่างไรล่ะนั่นิยากาอย่างการพูดการทา ที่เป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามก็ซ้ำเรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันต์เนี่ยบ อ, อกจากมากบ อ, อกจากธรรมทำความกัมปปเจ้าวิมไม่มีที่ตรงไหนพอที่จะตาหนิกี่เตียนคนก็ดีคนจะเร็วไม่ได้ดีไม่ได้เร็วเพราะความเกิดเป็นชาติมนุษย์ขึ้นมาเพียงเท่านั้น จะเป็นชาติชั้นวันณะใดก็ตามยังไม่จัดว่าเป็นคนวิเศษวิโสคนเลวคนร้ายต่างๆแต่ต้องอาศัยความเคลื่อนไหวของผู้นั้นเคลื่อนไหวทางใจเครื่องหมายทางกายทางวาจาไปทางถูกหรือทางผิดจึงจะเรียกว่าผู้นั้นดีผู้นี้ชั่วได้ตามส่วน่างการกระทำดีและชั่วหนักเบามากน้อยอย่างไร เพงเกิดมาเป็นมนุษย์มันจะว่าดีเลยทีเดียวไม่ได้ดีก็เพียงแต่ว่าได้รับผลของกรรมเก่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ผู้ออเพรกระตกุญญาตาได้เคยสร้างสมุนโรมคุณงามความดีไว้สมควรมาเป็นมนุษย์ได้และมาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของดีซึ่งเป็นผลของอดีตส่วน อนาคตที่จะดีต่อไปหรือหลักปัจจุบันซึ่งเอาตัวของเราเป็นประกันที่จะดีอยู่ในปัจจุบันก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติการศึกษาอบรมแนวทางที่ถูกต้องดีงามซึ่งไม่นอกเหนือไปจากธรรมนี้เลยธรรมของพระพุทธเจา้าทาให้เนคนดีดีไปโดยลำดับ เป็นขั้นเป็นตอนตอนกระทั่งดีถึงขั้นดีเลิศไม่มีที่ตําหนิว่าธรามไม่สามารถจะทำคนให้ดีได้นอกจากคนไม่สามารถจะนําธรรมมาปฏิบัติต่อตอนให้ดีได้สมธรรมเป็นของมิเฉาเท่านั้นคนจึงจะไม่ดีดังาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าองค์พระองค์ปัจจุบันนี้คือสมณโครุมของเรา พระองค์ทรงประกาศ ร, รมหรือขนสัตว์ให้พ้นจากโอภาสงสารนี้เป็นมนุษย์ชั้นเยี่ยมมาเท่าไหร่แล้วคืออรหัตตบุคคลมีพระสงฆ์สาวกเป็นต้นรองลงมาก็สกิทาคาอากอนาคารองลงมาก็สกิทาคารองลงมาก็ รโสดามบาันรองลงมาอีกก็กัญยานชนท้วนแล้วตั้งแต่รับการจำระศาสตรามหรือดับแปลงแก้ไขตนเองด้วยธรรมะของพระพุทธเจา้าตามขั้นภูมิแห่งกำลังความสามารถของตนทั้ง น, นั้นมีเรียกว่าคนดีได้เพราะถ้าไม่มีธรรมเครื่องประพฤติคนจะดีเอาเฉยๆเป็นไปไม่ได้ ท่นยนเข้ามาหานักบวชเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติของพวกเราเรามาบวชทรงผ้ากาสาวะพัฒ์หนุ่เมเหลืองห่มเหลืองสีแก่นข น, นุนสีกรกตามที่ท่านทรงดำเนินมาอยู่พระพุทธเจ้าในสาวกทั้งหลายซึงมีสีกรกสีแก่นข น, นุน กาสาวะแปลว่าสีย้อมน้ำฝาดมันเป็นสีเหลืองจริงๆดังที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นสีที่โลกเขาไม่ต้องการแต่เหมาะสมกับความเป็นสมณะอย่างยิ่งแล้วเรามาบวชนุ่งหงผ้ากาสาวะพัดที่เรียกว่าเป็นผ้าย้อมฝาดนี้ก็ตาม แต่กิเลสไม่ได้บวชกับเรากิเลสอยู่ภายในใจใเราจะทำให้เราดีได้อย่างไรถ้าไม่แก้กิเลสตัวชั่วตัวเร็วสามต่ำช้าตัวเป็น่าสึกต่อธรรมอยู่ภายในใจไม่ว่ากิเลสประเภทใดต้องเป็น่าสึกต่อธรรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไขกิเลส ประเภทใดๆก็ตามตั้งแต่ประเภทยาบขึ้นไปถึงประเภทกลางละเอียดละเอียดสุดจึงต้องทำการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงทวงกิจใจของเราไม่ใช่น้อยบางครั้งถึงกับเอาตายจะเข้าว่ากันเลยกิเลสไม่ตายเราก็ตายาเราไม่ตายกว่าให้กิเลสตายอย่างน้อยให้กิเลสพ้า่จากเราไป แล้วก็แพ้ตายทิ้ดหายไม่มีเหลือนี่เพื่อทำความดีแก่นตนเพื่อความเป็นคนดีกิเลส <c oughs> นับตั้งแต่วันบวชมากิเลสไม่ได้บวชบวชตั้งแต่เราแต่คำว่าบวชแปลว่าเว้นในจิตที่ควรเว้นปฏิบัติในจิตที่ควรปรฏิบัติ ด, ดำเนิน เราเป็นนักบวชจึงต้องอาศัยหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องดำเนินเพราะเป็นสิ่งที่ควรดำเนินสาหรับนักบวชเราเฉพาะอย่างยิ่งพระวินยัยทีนี้เมื่อดำเนินตามหลักธรรมหลักวินยัยหลักวินัยนี้เป็นกฎเพื่อปราบกิเลสประเภทห ย, ยาบๆซึ่งจะแสดงออกมาอย่างผ่าพ้นในโลกเห็นได้อย่างชัดเจน ให้อยู่ในกรอบแห่งพระวินัยซึ่งเป็นกฎข้อบังคับสําหรับปราบยิเลสประเภทอยากทางกายวาจามีใจเป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยทำนั้นเป็นเครื่องปราบฟรามภ า, ายในจิตใ จ, จยิเลสภายในจิตใจรุนแรงการต่อสู้การปราบฟรามาายิเลสประเภทใดก็ตาม ต้องเหมือนกันกันกระเพาต่อสู้กันแต่ต่อสมมติว่าเขาเล่นกีฬาชกมวยกันก็เอาขนาดถึงตายก็มีในบางครั้งเพราะต่อยกันยังหมดกำลังทุกคนผลที่เล็ดรอดออกมาจากแพลติชานะค่อยปรากฏทีหลัง ในขนาดที่ต่อสู้กันนั้นไม่ได้คำหนึ่งถึงความแพ้ความชนะมากไปกว่าความเอาให้เต็มเหนียวพอตายก็ตายไว่าสุดกำลังของทุกคนที่ต่อสู้กันในยุคนั้นนี่เป็นข้อเทียบเกียมสำหรับผู้ปฏิบัติกิเลสเราถือเป็นข้าศึกประเภทหนึ่ง แต่ลบประเภทตเภศธรรมะเป็นเครื่องมือทั้งเป็นกำลังจัดธรรมะมีหลายแง่หลายกระทุมหลายด้านเป็นเครื่องมือของเป็นเครื่องชนบถนนเรล่าของมนเป็นปัญญาสติเป็นเครื่องมือฟาดปันกับที่นี่ตามต้นกิเลสหุดคุย กิเลสคุ้ยเคียขุดค้นขึ้นมาอยู่ลึกอยู่ตื้นขนาดไหนขุดค้นขึ้นมาจนได้ด้วยอำนาจของสติอำนาจของปัญญาศรัทธาความเชื่อเป็นเครื่องสนับสนุนเชื่อว่ายังไงกิเลสจะต้องอยู่ในเงื้อมือของเราเป็นได้วิริยะหนุนเข้าไปเพียนเข้าไปไม่หยุดไม่ถอย นี่คือความทำตัวให้เป็นคนดีทำพระธรรมเนรนของเราให้เป็นพระเนนที่ดีทั้งทางพินในทั้งทางธรรมทางพินใยดีสวยงามทางกายทางวาจาที่แสดงออกทางธรรมดีด้วยความสงบเยือกเย็นมีความสงบผ่าเผยอยู่ภายในจิตใจ มีสติสตังมีปัญญาเป็นเรื่องรักษาใจเสมอที่เล็ตัวตัวใดก็ตามย่อมเป็นภัยต่อเราทั้งนั้นด้วยเหตุนี้เรื่องการปราบตามที่เล็จึงไม่เว้นว่าที่เล็บตัวใดจะควรปราบตามเมื่อไหร่แต่ปราบตามทุกขณะ ที่เราประกอบความภาคเลี่ยนหรือเรียกว่าที่ต่อสู้กันผลที่ปรากฏขึ้นมาจากการต่อสู้กับพิรียแบบลูกศิตถาคตขอปรากฏขึ้นมาตั้งแต่ตน้นว่ากนญาณชนก็กัญญาณภิกษุนั่นเริ่มตน้นแล้วออกกันนั้นก็เป็นอริยะ โสตรพระโสดาพระสกิธาพระอนาคาเป็นลำหนับลำหนับเพราะการแก้ไขถอดถอนหรือปราการีริเดกได้เป็นขั้นๆตามกำลังความสามารถของเราผลสุดท้ายก็ได้ชัยชนะอย่างเต็มภูมิคืออรหัตผลหรืออรหัตบุคคลธรรมที่กล่าว ทั้งสี่ขั้นนี้ห้ากับปัญญาถไมไม่ได้นอกเหนือไปจากความพยายามของพวกเราซึ่งมีหลักทมหลักวินัยเป็นเครื่องปราบตามและเป็นเครื่องปราบตามกิเลสภายในจเรื่องการสถ า, านที่ นั้นไม่สําคัญยิ่งกว่าสถานที่ที่ตั้งอยู่แห่งอริยสัจทั้งสี่คือทุกข์สมุ ท, ทยัยนิโรธมรรคทุกข์มีอยู่ที่ตรงไหนมีอยู่ที่กายมีอยู่ที่ใจสมุทัยมีอยู่ที่ไหนสมุทัยมีอยู่ที่ใจส่วนกายมีสาเหตุเป็นมาเพราะ อาหารชนนั้นชนิดนี้ผิดธาตุผิดฐานแล้วเป็นเหตุให้เกิดความไม่สบายเป็นค่า้ขึ้นมานท่านไม่เรียกสมุทรไทยเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องของจีลึกท่านจึงไม่เรียกสมุทรไทยแต่สาเหตุที่ทําให้ธาตุฐานมีคนมีการได้นั้นเหมือนกันอห่ น, นี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตยิ่งกว่าเรื่องของสมุทรไทยซึ่งเป็นค่าสิท ต, ต่อจิตใจอย่างยิ่งฉะนั้นท่านจึงสอนว่าแสดงเรื่องของสมุทรไทยได้แก่อะไร ให้เห็นอย่างชาัดเจนว่า ก, การมตั์นหาเพราะวัตหนาวิภวตัณหาเป็นต้นกล่าวว่าในธรรมจักรกับตัวันาสุขนันลรานสังก า, กา ต, ต, ตนาตตะปะจิีเซ อ, อยูที่ดังกามตัตนหาวัตนาวิภตัณหาเน่ลกามตั์หาก็คือความอยากความคร่ในการในสิ่งที่ตนรับตนชอบใจ กามะคือความใคร่เราชอบใจสิ่งไหนมันก็เป็นที่เด็ดตรงนั้นทาวะตัณหาเราเคยทราบมาด้วยกันแล้วจึงไม่อยากอธิบายมากมาให้เสียเวลาทั้งเพราะธรรมนั้นทั้งวิปนั้นิิปวัตน า, ะตาตจะอธิบายให้ทราบตั้งแต่เกี่ยวกับสถานที่อยู่แห่งจัตจตธรรมทั้งสีนี้คืออะไรอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากยิ่งกว่าการสถานที่อื่นใด ทุกอยู่ที่ใจเป็นสําคัญจึงเกิดขึ้นจากสมุทัยเป็นผู้ผลิตขึ้นมานิโรธดับทุกจะดับที่ไหนทุกเกิดขึ้นที่ไหนนิโรธก็ดับที่นั้นยาสาเหตุญญที่จะทําให้นิโรธดับทุกได้มาจากไหนมาจากมรรคนะึ่งมรรคได้แก่อะไรได้แก่มัชฌิมาปฏิปทา พรารมวติไอสัมพุทาจากักกุกัญญาณักกิณิปสัญญาปิญญายะสัมูทายันบานายัสงวตติเซอรยที่ดังคืออะไรที่นี้ะมากคือชช่อไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป์เคืนเรื่องปัญญาก่อนอื่นเพราะปัญญาเป็นผู้ชลาเป็นความชละเหมือนเราทำ เหมือนในวงงานต้องหาผู้ฉลาดเป็นหัวหน้างานจเจ้าคนโง่เป็นหัวหน้างานจะทํางานให้แหลกเล้ยวไปหมกไม่มีใครที่จะเชื่อถือและทันตามเพราะหัวหน้างานโง่กว่าลูกงานเพราะฉะนั้นหัวหน้างานใดก็ตามตีดต้องหาคนฉลาดมีสัมมาทิฐิสัมมาสัางกัปปแสดงถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดตอบตัวของมรรคขึ้นเหมือนกัต นางที่กล่าวไปแล้วว่าธัมมากัมมันตะเรื่อยๆไปมีเรียกว่ามร์มีอยู่ในฐ า, านที่ใดมร์นี้ก็เป็นเจตสิกธรรมออกมาจากเจตสิกธรรมอันหนึ่งเช่นเดียวกับสมุทยัยสมุทัยก็เกิดขึ้นจากชัญญาสิทั้งขามิย่าง น, นี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นจากอะไรเมื่อเป็นไปลายไฟจะทำกิเลสให้เกิดขึ้นท่านเรียกว่าสมุทยัย เป็นประสายที่จะระงับดับกิเลสลงไปท่านเรียกว่ามรคคือสติปัญญาความคิดความปรุงขึ้นมาด้วยอุบายเยียบข่าโดยประการใดก็ตามเรียกว่าปัญญาความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอท่านเรียกท่านท่นเรียกสตินี่คือมรคสติเนี่ยเป็นมรคเกิดขึ้นจากกาจตรงเดียวกันเช่นเดียวกับกิเลสมันเกิดขึ้นมาจากใจแต่มันบังคับใจ กดขี่บังคับใจให้รับความเดือดร้อนและกดท่วงจิตใจให้จงอยู่นั้นตลอดเวลาหาทางฟื้นตัวไม่ได้ด้ดวยเพราะฉะนั้นมารจึงเป็นเครื่องชำระล้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้ใจได้ดีดตัวขึ้นมาเป็นอิสระเพราะอํานาจแห่งมารเป็นผู้ชำนะขัดเกลาหรือเป็นผู้ปราบปรามชำระล้างสิ่งที่ตกกระตกทั้งหลาย ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแล้วก็นิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับลำดาของตามกำลังของมรรคที่ำาำรงได้มากน้อยเมื่อถึงที่ที่ควรจะดับได้อย่างเต็มที่เพราะอำนาจของมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วก็ดับในขณะเดียวเท่านัน้นเช่นพระหัตตมรรคท่านดับกิเลสอาสะ ทั้งมวลที่รวมตัวอยู่เนี่ยมิชาเพียงดวงดเดียวเท่านั้นในขณะเดียวเท่านั้นมันบกว่านโรธคือความดับทุกเป็นกิริยาอันหนึ่งเท่านั้นมากเมื่อทำหนา้าที่ดับกิเลสหมดไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็หมดหน้าที่ของตนเนโรธคือความดับทุกข ซึ่งสืบเนื่องไปจากมากเป็นตัวเหตุดับลงไปอยากเต็มที่ไม่มีสิ่งใดที่ดับอีกแล้วกิริยาแห่งความดับทุกข์ก็สิ้นไปในขณะนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่าทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เพื่อเจ๊ให้ทำให้แจ้งออกมาชัดๆทั้งๆ ท, ที่เราทุกคนก็ทราบว่า ทุกเกิดขึ้นใจตในตัวของบุคคลแต่ละคนไม่ใช่คนตายทำไมจะไม่รู้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าทุกเพึงกำหนดรู้นั้นก็เพราะว่าทุกมีอยู่กับทุกคนแต่ไม่มีใครสนใจที่จะกำหนดรู้เพื่อแก้เพื่อถอดเพื่อถอ น, อถอ น, ถอนสาเหตุว่าเป็นมาอย่างไรด้วยเหตุ น, นี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เป็นบทเป็นบาทเป็นกฎเป็นเกณฑ์อันถูกต้อง แกผู้ปฏิบัติทั้งหลายว่าทุกพึงกําหนดรู้สมุทัยพึงละนั่นท่านบอกกละละสมุทัยนี่จะละอย่างไรท่านนี้ท่านพูดย่อๆอท่านตรัสว่อย่อๆกินความกว้างขวาง ม, มากทีเดียวพึงละก็ต้องละด้วยความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันสำคัญ หนาจะหนักแน่นขนาดไหนเป็นตายก็าฟาดฟันงานแหลกกันลงไปมีเรียกว่าทำการละสมุทไทยทําอย่างนี้หรือทําการป ร, ราบสมุทไทยอันเป็นตัวกิเลสทุกประเภทนั้นให้สูญซากออกไปจากจิตใจหรือสิ้นซากลงไปจากใจไม่มีเหลือเพราะอำนาตของมัจคือการปฏิบัติมัิมาปฏิปทาเป็นต้นเนโรดคือความดับทุกข์ก็ดับไปเอง ไม่ใช่ทำเหล่านี้จะทำงานไปคนละเมล่มมเวลาท่านแยกชื่อออกมาอย่างนี้เหมือนกับทำทั้งสีน่นี้อยู่ต่างที่ต่างเดินอยู่คนละทวีปความจริงอยู่ในจุดเดียวกันนั่นแหละทุกที่เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นที่ใจความรู้ว่าทุกเกิดขึ้นก็รู้ในขณะเดียวกันกับทุก์ที่เกิดขึ้น แล้วการค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอแห่งทุกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นเหตุมีอะไรกระทบกระเทือนอจิตใจใจจึงนึ่งรับความทุกข์ขึ้นําคำว่าความกระทบกระเทือนนั้นหมายถึงอารมณ์ของตนที่ไปสำคัญมั่นหมายเช่นมีผู้หนึ่งผู้ใดามาติกสิน้นทา่าแม้เขาติกลิน้นท่ามา เป็นเวลาหลายเดือนหลายปีแลว้วก็ตามเวลาจิตไม่ได้เสียกสันตั้นยอไม่ได้สําคัญมั่นหมายก็เหมือนก็ไม่มีพอได้ยินในขณะนั้นมีผู้ใดผู้หนึ่งมาเล่าให้ฟังก็ตามแล้วเรื่องจะล่วงไปกี่ปีกี่เดือนแล้วไม่สําคัญสําคัญที่จิตตึงขึ้นสําคัญมากเขาว่าให้เราอย่างนั้นนั้นเกิดความโกรธความเครียดแค้นขึ้นมานี่คือสำคัญเมื่อเกิดความโกรธความไม่พอใจขึ้นมาแล้ว ทุกทุกจะไม่เกิดได้อย่างอืยความโกรธนั่นแลหแนนและทำให้เกิดทุกอืความเครียดแค้นนั่นแหละทำให้เกิดทุกเพราะความสําคัญว่าเขาว่าให้ตัวอย่างนั้นอย่างนั้นไม่พอใจนะนี่คือตัวสมุนไพรความทุกข์จึงปรากฏเช่นนี้และจะหนับด้วยวิธีใดนี่เป็นเรื่องของมรคคือสติปัญญาพินิจเจนนาแก้ไขทั้งเรื่องสังขารเป็นเครื่องเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนสิ่งหลอกลวงอืม ตังแต่ตอนที่เขายังไม่ได้พูดให้ฟังทั้งาทสิเขานินทาก็นินทาไปแล้วหรือเขา ส, สรรเสริญยันยอก็ ส, สรรเสริญไปแล้วเราก็ดีใจปลื้ม อ, อกปลื้มใจก็เป็นเรื่องของสมุนไพรประเภทนึงแต่นี้แยกออกมาพูดเพียงส่วนไม่ดีเฉยๆความจริงก็ฟังทราบในส่วนที่เรารักเราชอบนั้นมันก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันอย่างกามะตันหาทันหวัดเราใคร่เราชอบ ในอิทธาลมไม่ชอบในะอ น, นิจธาลมมันก็เป็นเรื่องของจุลไทยด้วยกันทั้งสองอย่างและทั้งสิ่งเหล่านี้ก็ออกจากลมปากของเขาแล้วผ่านไปแล้วตั้งแต่เมื่อไรเราก็ไม่เห็นว่าอะไรแต่ก่อนพอมีคนมาเล่าให้ฟังความสำคัญมั่นหมายก็เกิดคิดเกิดตรุงขึ้นสําคัญขึ้นในเวลานั้นก็เกิดทุกข์ในเวลานั้นเกิดกิเลส ข, ขึ้น แล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาวิเล็กคือความไม่พอใจความเครียดความแ้นเกิดขึ้นมาแล้วเราค้นคว้าดูเรื่องของสังขารที่มันคิดมันปรุงหลอกตัวของตั้งแต่กรอนไม่ได้ยินมันไม่เห็นเป็นอะไรนี่สังขารมีทั้งแต่เรื่องหลอกสัญญาความหมายาต่างๆมีทั้งแต่เรื่องหลอกลวงทั้งนั้นปฏิปัญญาตามต้อนถึงแบบนี้ให้มันหดตัวเข้ามาดลื้มหมอบราบเข้ามาจากเหตุการณ์หลอกเหล่านั้นนี่แล้วก็เรียกว่า เป็นการระงับดับก่เลสเมื่อดับก่เลสคือความสําคัญนั่นหมายว่าเขาว่าให้ตัวอย่างนั้นอย่างนั้นเขาโยกย่องสมเชยเขามินทาตนอย่างนั้นนั้นมันก็ระงับลงมาเพราะสั้งฐานขตัวประตุงสัญญาณตัวไปหมายต่างหากนี่เมื่อสติปัญญาทันเหตุการณ์เหล่านี้แล้วสังขารสัญญาเหล่านี้ก็ดับตัวลงไปทุกก็ไม่มีขึ้นมาอีกเพราะสัญญาสังขานสัญญาสังขารนั้นมันเป็นตัวกิเลสและดับไปด้วยอำนาจ ของสติปัญญาตามต้นนั่นก็ดับลงไปอนนีโรธก็ปรากฏขึ้นมาในขณะดนั้นน่ะยูนในฉากรียวกันไม่ได้อยู่นอกเหนือไปจากนี้เลยอย่าคิดให้กว้างขวางมากๆอย่าไปเกี่ยวหอบแบบแผ่นดินทั้งแผ่นโลกกระถางทั้งโลกกระถา ง, งมันหนักเบาเาแบบมรรคุณิพานแบบอยู่ที่นุ่นที่นี่ให้นักไปหมด กิเลสอยู่ในหัวใจไม่คิดไม่อา่านไม่คลี่คลายออกมาให้เห็นมันก็จะเผาลมจิตใจอยู่นั้นตลอดเวลาหาทางจบขึ้นไม่ได้นี่แหละเรื่องของทุกข์ทั้งหลายมทุกข์อยู่ที่ใจเพราะสมุทัยเป็นเหมือนเส้นบรรทัดดีดเป็นเส้นเป็นสายยาวเหยียดอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ตัดเส้นบรรทัด เราไม่ได้ตัดเส้นเป็นอันเป็นเชื่อที่ให้เกิดทุกข์นี้ออกจากใจด้วยสติปัญญาประเภทใดและด้วยความเพียรประเภทใดเลยแล้วเราจะหาความดิความรูความสุขความเจริญ เ, เพราะความบวชเป็นพระนี่มาจากไหนเบื้องต้นก็เลยพูดแล้วว่าการบวชมมีแต่ว่าเราบวดดเชเฉยๆกิเลสไม่ได้บวช ด, ด้วยบวชมันน่าจงต้องต่อสู้กับกิเลสฟาดปันทันแหลกกันอืมส่วนมากก็แพ้กิเลส ก, กลับไป ส่วนที่ชนะกิเลสจนกระทั่งถึงพ้นเป็นอาหัตตบุคคลเป็นผู้เป็นผู้เลิศมีน้อยเต็มที่อันนี้เราควรคิดให้มากสมัยพุทธการท่านบวชกับสมัยเราบวชนี้ผิดกันอยู่มากเหมือนกับว่าเป็นรูปลักษณะเป็นพิธีเท่านั้นในปัจจุบันนี้นั่นท่านบวชจริงๆ บวชด้วยความเห็นโทษเห็นภัยในสิ่งที่เคยอยู่เคยสัมผัสสัมพันธ์มาในบ้านในเรือนในที่้ามาผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจและความเป็นอยู่ในครอบครัวญาเรือนและสังคมต่างๆท่านได้เห็นมาอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนจนเกิดความเบื่อหน่ายแล้วคลายความยินดีทั้งหลายนั้นออกมาบวชบวชก็บวชด้วยศรัทธาื่อทา ปิดใจให้หลุดพ้นจากทุกเครื่องกดท่วงทั้งหลายดังที่กล่าวมาอัน ท, ที่ว่าเบื่อเบื่อในหนายนั้นให้ไหลุดพ้นไปจากปิดใจเพราะฉะนั้นการประกอบความเพียรของพระสงฆ์สาวกในครั้นปรหันจึงผิด ก, กันกับการประกอบความเพียรของสมัยของพระในสมัยปัจจุบันของชาวพุทธเราในสมัยปัจจุบันนี้มากผิดกันหนึ่มากมการสอนอัดสอนทำกับพระพุทธเจ้าทรงประธานอื่น การประทานธรรมะด้วยพระองค์เองนั้นคือว่าได้ทองทั้งแท่งร้อยเปอรเซ็น้อยเปออกมาเป็นของขวัญหรือเป็นสิริมงคลแต่บรรดาสาวกไม่ผิดไม่คลาดไม่คลาดไม่เคลื่อนอะไรทั้งนั้นเพราะทำพระองค์ทรงปรัรลุเองโดยชอบทรงรู้แล้วเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างและประกาศ ทำแก่สาวกด้วยความรู้แล้วเห็นแล้วทุกกิ่นทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นผู้ฟังเปงไม่มีไม่จําเป็นจะต้องเลือกเป็นอันใดว่าถูกหรือผิดก็มีแต่ดื่มเอาดื่มเอาดื่มเอาเหมือหลังจากได้รับพระโอวาจากพระพุทธเจ้า <c oughs> ของอบรมแล้วเข้าไปประกอบความผักเพียรด้วยความพอพอใจศรัทธาความเชื่อความใส่ยุริยะความผักเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วย ความเพียรทุกประโยคอื์เต็มไปได้วยอาจเกิดธรรมเต็มไปได้วยความพอใจชันทะริย ะ, ะทิตายมังสาเป็นเดียวเดียวกันเข้าไปเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลจะมาอยู่ในเงื้อมมือได้อย่างไรปรากฏว่าองค์นั้นสำเร็จนักผลนิพพานอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นสำเร็จอยู่ ท, ทางจงกรมองค์นั้นสำเร็จอยู่ ในท่าสมาธิองค์นั้นสําเร็จอยู่ในท่ายืนองค์นั้นสําเร็จอยู่ในท่านอนและสําเร็จอยู่ในเขาลูกนั้นป่านั้นเป็นต้นนี่ผลที่ทันได้รับเพราะความทำจริงทำก็เป็นของกริง ผ, ผู้เทศก็เทศโดยความจริงเป็นเม็ดเป็นหน่วยคือพระศาสดาเป็นผู้ประธานพระโอวาทเองไม่มีที่สงสัยผู้รับ ฟังก็เป็นผู้เห็นภัยในวัาากสงสารมาแล้วอย่างเต็มหัวใจและพร้อมเป็นภาชนะที่พร้อมมูลเต็มที่แล้วควรจะธรรมะอย่างยิ่งแล้วเมื่อประสิษย์พระสาสตร์ธรรมะให้ก็รับได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากนั้นนะไมาคือปฏิบัติส่วนใดที่ยังบกพร่องต้องกา ร, รอยู่ยังไม่สําเร็จตามความมหมายพยายามทําตามเป็นความสามารถผลสุดท้ายก็าก็ควยอมกุญนิพาน เป็นหัวใจเต็มหัวใจกลายเป็นสรณะของพวกเราขึ้นมาว่าสังขังแท่นขะฉามนั่นงท่านพุทธการท่านบวชอย่างนั้นและทําในครั้งนั้นกับทำครั้งนี้อยากครับอยากเข้าใจว่าปลอมกิเลสครั้นงนั้นกับครั้งนี้ก็อยากเข้าใจว่าเป็นคนรัประเภทกิเลสครั้ง น, นั้นก็คือกิเลสครั้งนี้นั่นเองเหมือนๆกันทำครั้งนั้นกับทำครั้นนงนี้ก็เหมือนกัน เป็นแต่ว่าอุบาวิธีการสอนของผู้ที่นำมาสอนนั้นจะผิดแตก ต, ต, ต่างกันอยู่บ้างเป็นธรรมดานนี้เรายอมรับแต่สำคัญศรัทธาความเชื่อความน่งใสเาะแสวงหาครูหาอาจารย์ผู้ทันประพฤติปฏิบัติจริงจังในอัดในธรรมและเป็นผู้รู้ผู้เห็นได้ผ่านพ้นไปเช่นเดียวกับภาษาวกทั้งหลาย นั่นแหละเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ท่านจะแนะนำสั่งสอนเราให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีข้อข้องใจสงสัยผู้รับอัดรับธรรมก็รั บ, รบได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ต้องเลือกต้องเฟ้นเพราะเป็นธรรมที่จริงแท้สุดส่วนออกมาจากหัวใจของท่านแล้วมรรคผลจะไปที่ไหนเมื่อเราก็พร้อมแล้วอย่างนั้นหาเาะสอนแสวงหาครูอาจารย์ก็เหมาะแล้วเป็นครูชั้นเอก ถ้าลงได้ถึงขั้นบริสุทธิ์พุทธโธแล้วเอกด้วยกันทั้งนั้นไม่เป็นสองเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยศรัทธาความภาคเพียรของเราเป็นเม็ดเป็นหน่วยผลจะถึงได้รับจะนอกเหนือไปจากที่ท่านข้าสาวกทั้งหลายได้รับนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องเป็นไปในรอยเดียวกันนี่แหละขั้งพุทธการกับสมัยปัจจุบันนี้มีแตกต่างกันก็ดังที่กล่าวมาแล้วนี่แต่ที่นี้ แยกมาพูดถึงเรื่องการบวชในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะบวชเพืนเป็นพิธีบวช ท, ท่านบวชท่านบวชกพตัดกามคือกามะคือความไข่ทั้งหลายออกหมดเริ่มเบื่อหน่ายมาตั้งแต่ดีกเป็นคาบว่าแล้วก็มีมาเบื่อหน่ายทีหลังก็มีมาตั้งใจจะบวชจริงจังนักก็มีแต่เมื่อได้ฟังอัดฟังธรรมเทราะอุปนิสัย ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเครื่องยอมรับเป็นสิ่งที่ยอมรับและประพฤติปฏิบัติตามจนได้สําเร็จมาผลนิพพานก็มีไม่นอนสดสรุปความแล้วท่านบวชในครั้งนั้นท่านบวชเพื่อจะระหรือบวช ด, ด้วยความเบื่อหน่ายจริงๆปฏิบัติเพื่อความบุพ้นจริงๆกลับมาสมัยปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องบวชพอเป็นพิธีแต่เสียซะมากแล้วเหมือนกับว่าบวชมาสั่งสมกิเลส บวชมาสั่งสมกามกามแม้พอแล้วความปแปลว่าความใคร่มันใคร่ยังไงบ้างครับพี่นาซีไม่ใช่ว่ากามอย่างประเภทอย่างประเพณีของหญิงของชายนั้นโดยถ่ายเดียวคำว่ากามาทั้งวัตถุทั้งบุคคลเป็นความใคร่ได้ทั้งนั้นเหตุงเงินทองเข้าของสมบัติต่างๆยศถาบรรดาศักดิ์มีเป็นเหตุให้เกิดความรากักความใคร่ได้ทั้งนั้น สมณ า, าอากตั้งเป็นนั้นตั้งเป็นนี้แล้วอยากเป็นนั้นแล้วอยากเป็นนี้อยากจนจะเป็นบ้าแบบกูมีแลพระเป็นไปอย่างนั้นเป็นท้าที่บวชเพื่อความทุทุกข์ที่ไหนนอกจากบวชเพื่อความสังสมทิเรสให้โลกเขาทุเรศสงสงารดุจ ท, ทุเราทุลังจนตรงใจไม่ตกให้เกิดความอิจนาระอาใจเบืออหน่ายต่อพระประเภทนั้นประเภทบวชเพื่อการเพื่อการนั้นเท่านั้น เป็นประโยชน์อะไรเราพิจารณาให้ดีเหลือไมา่ได้อุตรตีเป็นความจริงอย่างนี้ตามหลักธรรมชาติที่เห็นอยู่รู้อยู่กันเหมือนบวชแบบพระพุทธเจ้าแบบสาวกแล้วทำธรรมะยอดเยี่ยมที่จะเป็นเครื่องประดับเป็นสิริมงคลใ น, ในใจิตใจนั้นจะหนีพ้นไปได้จากปฏิบัิธรไปได้หรือ ปฏิบปทาคือการปฏิบัติเป็นของสําคัญมากทีเดียวพวกเราตั้งหลายให้ฟังให้ถึงใจเราบวชมาแก้กิเลสความใคร่ทุกประเภทเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเห็นว่าเป็นภัยต่อจิตใจเสมอแล้วต่อสู้กันแก้ไขกันคำว่าพระนี่ก็เต็มภูมิแล้วแหละพระก็แปลว่าประเสริฐเแต่อย่าให้มันประเสริฐแต่ชื่อเหมือนอย่างชื่อนายประเสริฐประเสริฐที่อยู่ในรวนจํา ติดคุกติดตารางอยู่ในเรือนจำนั่นมันประเสริฐทั้งคุณภาพที่มีอยู่ในใจเราด้วยมีเป็นที่เหมาะสมอืมก็อธิบายเพียงแค่นี้ก่อนนะต่อไปให้ท่านบรรญาที่มาต่อัอบคุ